ตักๆๆๆๆย่อล่ะบ่กระโยกแก้วขึ้นเจียงได้ละได้น้ําเฮาเพิ่น ป่นอย่างนั้นจกแก้วผู้กันเบิ่งยืนเหี่ยวใส่จอกจกๆคนห่าหยกสันกินเพราะว่าหลวงปู่สาบอกเพิ่นก็ใส่กันหน้าหยิงเข้าไปแล้วเค็มติระวันกินเหี่ยวมันบ่มันแซ่บเด้อมันก็เค็มปล่อยบ่เค็มแฮงดอกผู้ แก้เบาหวานตัวใครนี่เชื่อตัวกินเหี่ยวนึง ซึ่งมีมนต์กินทั้งหลายทั้งปวงว่าซั่นมันต้องไปซื่อยาก วัดผมไม่เปิ้ลเพราะว่าวัดแน่คันที่ 1อ3 เดินต่อ 3 ปีเออลองเบิ่งเด้ออย่าเชื่อ <laughs> กับพระก็เอาพระขัญญดาดองด้วยน้ำมูดเมานี่คือกันตัวหลวงพุธสาอยู่วัดอภพรหมใหม่<อ> Nheo vay lạc hò, phà mắt vay lạc bạc, đo ngoài xám đườn. Bạc thùm mò bò mi mì miền nè nháy. Bạc thùm mò đột á bớt kinh nhò chắc xia phải xảy bớt. Ừ. Bạc thùm mò bò mi miền nè nháy. Dạ bột hái bò mi rá vùi. Hôn. Khay lạy chắc mưa lạc hò, khay lạy xám mưa lạc hò, Chí cho bá lau hàn. Mén bó bó bóng แล้ว bó bó là bóng chí là bóng sáu ngay đây bá lùa. Bó kì nòi bó kì xá mờ ra bá lùa, bó kì xá mờ ra bá. Kham bóng chí ngờ hòn bá sẵn, hòi. Khan bán chí sáng bàn kà xuán, bá nì hau bó xuán rao. Nè nè, hê, phá ung nàn hù phá ung nàn hù phá ung nàn hù phá ung hù phá ung hù phá ung hù phá ung hù phá ung hù phá กะจกมาติว่าองค์อื่นอยากกะจกมาติเราว่าไผกะเอาเบิดติเราบ่เข้มเด้รถก่มๆนัวพอดีพอดีบ่เสียลองเฮ็ดเบิ่งเด้อใส่เข้าไปได้เวงยากก็ว่าน่ะป่าโตแท้แต่ว่าอาจารย์สุเมโธเพิ่นไป ขม้ามันหิวข้าวอะไรนี่เพิ่นว่าบักสมอหลวงพุทธาว่า เอาต้องฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่านี่แหละอร่อยมูดเน่าไม่โอ้อร่อยดีเพิ่นว่าไม้เค็มเลย พอกินเข้าไปสันเข้าไปบ่พอเพียงคืนโอ้ยย่านตดตอนในบ้าน เป็นอะไรผมสงสัยเป็นอหิวาตกโรคเพิ่นว่าทําไมต้องว่า ขันมากเกินไปมันก็อย่างงี้แหละจําไว้นะทีหลังอย่าขันมากถ้าขันมากมันก็ หัดไปจังซั่นน่ะแต่ว่าเฮามาภาวนาจังซี่จะสิดีๆเบิ่งลมเข้า มึงล่มบัดเดี๋ยวนี้นั่งอยู่บ่เดี๋ยวนี้คับนั่งอยู่ขึ้นอีหยังเดี๋ยวนี่อ่ะบาดนี่บ่ มื้อไห้อารมณ์อื่นมาปุ้งแต่งเฮาได้นั่งสบายน่ะส่วนมากมันบ่จังซั่นติล่ะคือแม่ออกติว่าพุทโธพุทโธมื้ออื่นเอามะขามหวานบ่น้อมื้อสิเอาแจ่วบ่น้อก็ติว่านั่งไปนั่งมาอีอันนั้นก็บ่เอาหมาก เนาก็พะโล้มันก็บ่เอาผักหอมมาให้บ่บ่น่ะโอ้ยได้บุญหลายตัวๆ จะเบิ่งฮอขนมไปกินอยู่มุ้งนําหมด อดกั้นมันแต่ตัวเหตุมันไปเจ้าไปเบิ่งติเดี๋ยวนี้อยู่วัดอาตมาบทเป็นพ่อขาวอยู่หั่นผมสิบ่ปากเด้ออาทิตย์นึง โกรธกับกิเลสนี่กับความคิดนี่อย่าไปตั้งหน้าตั้งตาใส่ จับต่อมารอดเพราะว่าจับต่อตังค์แค่บังเดียวว่าเพิ่นเป็นเฮ้ยคือเฮ้ย เอ้ยบักปุงแต่งไปเรื่อยๆจําได้สลัยซอกคอเอ้ยเพิ่นไว บาทบักใหญ่นึงฉันเข้าก็ก้มหน้าก้มตาฉันดินธรรมาได้แต่เข้าเป่าเงินนึงยิ่งสิไรกล้วยเทื่อนึงบ่ มาอยู่วันน้องๆก็ยังว่าซั่นดอกห้วยวิทยาบาทสิได้หยังบ่ได้หยังได้แต่ว่ายาก็บ่มีซั่นมักอยู่ได้ หลวงปู่ทองรัตน์ไปโอ้ยพวกมื้อนี้บ่เคยใช้หวาดตัว ไปขอเหือนเข้าปุ๊กๆๆลูกๆๆอีหยังน้อมาแต่ไสน้อนี่ภายไสคือพลวะลูกๆๆแม่ภายไปไผเฮ้อเพลวะผ้าๆพระจะไหนมาแต่ดึกแท้เพลวะสวยลงมาท่องเบิ่งเอ้ยพระ ไปดั่งไปซอยข้าว 1 ข้าวหุงข้าวซอยข้าวหุงข้าวแล้วไป 6:00 น. เช้าเอ้าใส่บาดเพิ่นว่าเขาก็ตักข้าวใส่ถ้า เป็นน้องเคยขอบ่ได้เด้เว้นแต่ผู้ปวารณาเออซึ่งจักก็ไม่ออกโอ้ยขอปวารณาเด้อขะน้อยขอปวารณา 3 เดือนก็ขอได้แค่ แล้วพวกหมู่เฮาพ่อนี่บ่พระภิบาลเด้บ่แม่นเด้เพิ่นใส่อุบายตัวคือหลวงตามาหาบัว บอกว่าก็ยอกก็ซื้ออยู่เพิ่นรับแขกแล้วบอกให้ต้มน้ําต้มแล้วบ่ย่างขะหน่อยก็คือเล่นแท้แล้วเว้าหยังก็บ่ฮู้ซ่าก็ปั้นใส่หลังแล้วตุ๊บโปรดซึกซึกเลยให้งุยๆเมื่ออันแล้วน้าภาคเขาไปอยู่บ้านน้องบพงค์จริงๆอยู่ลาว บาทจังซี่บาทสมัยสิกี่บาทหัวขน้อยบาทหัวตักแข่งใส่ก็ลงตารางพุ่นเบิดขน้อยขอเปลี่ยนว่าบวชวัดนมปพงบวชยากก็นุง 20 คนเหลืออยู่ 2 คนหลัง หลังมีปีนึงบ่ปีใด๋บ่นั่นตั้ง 200 เหลือ Nhan l'apun phu ikh ansan mert n'apun thuk duwa mei ngayi Te ba pun yu day Te ba l'apun thong l'ad ka thuk kus ghan Pai bin thabat le Te khau pao nang sán khao Me o ka ma chop beng Ma nang beng Pa o ka ma beng Ma beng nhang na ma chop khó bơ Pa fang di ne fa o Pa kwa pa Pa kwa sán khao l'apun thong l'apun thong l'apun thong l'ap sa l'ap bata Ma beng di laya pung l'apun thong l'apun thang kha เทน้ํากับน้ํานั่นเทสฝาบาดบ่กระเอาข้าวมาจ่ําน้ําเอ้าคือสัน <laughs> เพิ่นไปบิณฑบาตในกรุงเทพฯนี่ไปกับสังฆราชไปกับเจ้าคุณอุบาลีนี่พ่ออาตมาเว้าให้ฟัง แม่ขาว่าไม่ได้ใส่บาดหน้าเอามาขายเออรู้แล้วอ้าวโทษว่าถ้าองค์นี้พูดยากเหลือเกินบอกว่าไม่ได้ใส่บาดหน้าบอกว่ามาเออรู้แล้วโทษว่าจ้าหลายกวีเออพวกเราก็ไปแต่ว่า คือว่าเพิ่นสอนบ้านช่วยจนฮู้จักเบิดมาบ้านสิท้วนบ้านนี่ทั้งแถวอันโอ๋ยินสิพากันก็น้ํา ไปฮอดบ้านเปิดฟ้าออกแจ้ห่อไปต้องเอาเมลคอนตกโอ้มันใส่คอนเพิ่นบ่ให้กูฉันมึงล้างมาอีกบาดนี้ใส่ห่อมาอย่าง <c oughs> แต่เฮ็ดเพิ่นสะระปัดมิ้นตบ้านไปแล้วๆขอในปากพุ่นน่ะก็พ่อสิเอาไปหยังเออเขาอยู่ตรงต้นตรงต้นไปเฝ้าย่างไปฮอดห้วยเฝ้าไปป่อยไป เดินทุรงจังซี่ครับบายบ่ได้หยังแล้วแม่ใหญ่เอ้ยมันบ่ได้กินหลายมื้อก็อะไรไปไหนล่ะหลวงพ่อเอาบ่โลดไสก็เอามาหนูปูกกเอามาเพียงอีตัวเอา แต่แต่ขอในหมานขอบ่ได้เด้อขอเขาเป็นอาบัติมื้อเกื้อก็บ่มีบ่มีก็สั่งว่ามันน่ะตําแต่พอกแป้วตําปุกๆๆปุกแล้วหย่อง <laughs> เจ้าว่าอาตมาบวชเข้ามาได้บ่มา เอาคว่กไปเลี้ยงคว่กเข้าแต่ประสาย่านพี่บ่เซาหลาย <laughs> ให้แม่ผู้ข้ายังได้ถ้าแม่ผู้ข้ายังได้ได้บวดข้าสิบวชผู้ทิดให้ เคยม่วนเคยซื่นห้องเพลงมีแต่เล่นกับเพิ่นอืมหอกเพลงฝรั่งก็ฮ้องห้องเพลงไทยก็ฮ้องเพลงมาเลเซียก็ หลายเจ็ดจิเอากะเอาเลยอ่ะเงาะโอ้ยว่ามีคนติดคู่กว่ารถม่วนตม กินกาแฟน้ำ 13 บาทไปกินน้ำเผาได้ได้เงินเด้ถึงได้กินทั้งได้เงินได้ค่าโตนั่นไปอย่างรองกินโตนั่นโตนี้คืนโอ้ยอัยการผู้พิพากษาเฮ้ยไอ้ บ่มีเหล่าดีๆเด้บ่มีดอกเหล่าขาวนั่นโวยพวกอันสาวแก่แม่ใหม่เซนเด้อค่ะเซนตั้งพี่ แต่ว่ามันกรรมตัวนั้นบ่จังว่าสาวเฒ่าเขียนจดหมายมาก็ตะม้าตะกี้อาตมาก็บ่ได้อ้วนจังสิแล้วก็จ่อยจังแหย่งซะล่ะหุ่นว่าแม่นายแบบหมอบวชจังสิ มาศึกษาเข้าคักๆโอยตายซื่อๆเฮาเสียโอ้ยจะแม่น ทุกมีย้อนอยากได้อย่างมีอยากเป็นโอ้ยอยู่จังแม่มันอิสระเด้อบาดนี้อันใด เอาอยู่บ้านใส่โฟมล้างหน้าโพลาหลอดนึง 400 เอาโวยนั่งอยู่นี่สิกล้าใช้บ่ ดูบ่ได้หรอกนํามื้อนี้แต่ว่าพออันนี้มาก็จัง หมู่ไปแทงมาบอกศึกนี้บุญไปห้องเพ่งม่วนปานนี่ได้ศึกๆว่าซั่นหน้าก็มาบอกให้ศึกผู้บอกแล้วป่วยไปนี่แม่เป็นสาวก็พอศึก จุงพ่อจุงแม่ให้ได้ไปสวรรค์ถ้าคือบวชโอ้ยแม่ดีใจลูกเอ้ยเออแม่ดีใจที่ลูกบวชให้แม่กราบแม่แม่เฒ่าแล้วโอ้ยพ่อดีใจหลายแล้วลูกเอ้ย อืมแม่ก็ดีใจได้บวชกับหลวงปู่ซาบวชเด้อนี่ก็ฮักๆเหล่าหั่นน่ะ ไปไปโฉกันอยู่หั่นโอ้อยู่ว่าพ่อแม่ทุกข์ยากก็เจ้าของนี้มันคือ เจ้าอาตมาได้ไปเฒ่าได้ไปอบรมเล็กน้อยเจ้ารู้บ่แต่ละโรงเรียนนี่ติดจะบ้าหลายปานอาชีพอยู่ทาง มันไปโรงเรียนมันรถไปหาผู้บ่าวติด กินมามานํากันนี่น่ะนอนนํากันเฟื้อกันอยู่ฮะหมุนเวียนอยู่ฮะ 7 คน 2 คนน้ําบ่ เอาหยังสอนลูกเอาโทรทัศน์สอนอืม